สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิชยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองอหกสิบเอ็ดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบหกโปรดประทานอาหารประจาวันพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้กับข้าพงศงหลายในวันนี้มีความหมายของคำว่าอาหารที่เกี่ยวข้องกว้างขวางมากครับ หมายถึงทุกอย่างที่เป็นความต้องการทางด้านร่างกายของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าที่โปรดประทานอาหารประจำวันผมขออนุญาตทบทวนนะครับอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างพอเพียงสำหรับปัจจุบันพี่น้องครับหลายๆคนนะครับมีความคิดว่าจะสะสมอาหารสะสมไว้ในตัวอย่างไรครับ ก็คือกินเยอะๆกินเยอะๆเข้าไว้แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถกินเกินขีดจำกัดของแต่ละคนที่เรามีอยู่ได้เราไม่สามารถกินสามพอชั่นห้าพอชั่นคําว่าพอชั o ่น P O R T I O N มีความหมายว่าส่วนนะครับส่วนของหนึ่งอิมสองอิมสามอิม่มเราอาจจะกินครั้งหนึ่งนะครับหลายหลาคนที่เคยกินอาหารเยอะๆอาจจะกินสองอิมนะครับคือหมายถึงว่าคนอื่นเขากินหนึ่งอิมนะครับแค่นี้ ก็อิ่มแล้วแต่เราอาจจะต้องกินถึงสองอิ่มแต่ไม่เคยมีใครกินได้ห้าอิ่มหรือสิบอิ่มครับเพียงครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าขีดความสามารถของเราในการรับพักรของพระเจ้านะครับขีดความสามารถของเราเปรียบเสมือนกับชามข้าวครับหรือโอ่ ง, งน้ํานะครับเมื่องายโอง่งรับน้ําแล้วนะครับมันย่อมต้องมีขีดจํากัดครับแต่ว่าการหิวเงินนะครับไม่เคยมีขีดจํากัดครับ เพ่อนพี่บอกว่าไม่เคยอิ่มเงินนะครับหมายความว่าเมื่อเราได้อะไรที่นอกเหนือจากอาหารแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในโลกนี้เรามักจะไม่ค่อยอิ่มครับแม้ว่าเราจะมีเยอะแยะมากมายก็ตามนะครับจึงมีคนคิดบอกว่าเตียงนอนของเราก็แค่หกฟุตกว้างสามฟุตครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาเราตายครับโลงของเราจะแคบกว่านั้นใช่ไหมครับ โรงเรานี่อาจจะกว้าง2ฟุตยาว6ฟุตสูง2ฟุตแค่นั้นก็บรรจุร่างกายของเราที่แน่นนิ่งและสงบอยู่พี่น้องครับคําว่าอาหารนั้นมีความหมายกว้างขวางนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงนอกจากอาหารแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินของทั้งหลายนะครับทรัพย์สินของเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินของที่พระเจ้านั้นได้ประทานให้กับเราครับแต่วันนี้เราจะมาดูนะครับว่าแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของอาหารนั้นเรารู้นะครับว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนนะครับมาตินลูเธอร์ได้กล่าวไว้นะครับผมได้พูด ใ, ในเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าคำว่าอาหารนั้นมีความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทุกสิ่งทุกอย่างที่จาเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าเป็นอากาศที่ดีไม่ว่าจะเป็นบ้านและครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาที่เรารักและรักเราและมีลูกที่เคารพเราและเราก็รักเขามีรัฐบาลที่ดีทีเ่เอาใจใส่ประชาชนที่ไม่คอร์รัปชันในขณะเดียวกันครับก็มีสันติสุขกับตัวเองมีการคืนดีกับตัวเองมีการคืนดีกับสิ่งแวดล้อม มีการคืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนบ้านของเราพี่น้องครับมาธีรุทธ์มองว่านี่คืออาหารครับอาหารนั้นไม่ใช่ต้องหรูหราฟุ่มเฟือยแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราอย่างพอเพียงนะครับถือว่าดีมากแล้วหลายหละคนนะครับได้รับจากพระเจ้าเกินพอก็ถือว่าเป็นพระคุณของพระองค์แต่พระเจ้าให้เกินพอเพื่อที่เราต้องให้ออกไปพี่น้องอย่าลืมนะครับ พระเจ้าให้เรามีมากเพื่อที่เราจะให้คนอื่นคืนสู่แผ่นดินของพระเจ้าํสำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์นั่นก็คือการแจกจ่ายการให้ครับการถวายในวันนี้นะครับเราจะมาเน้นถึงแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดครับต้นกำเนิดของอาหารซึ่งครอบคลุมนะครับในหลายระดับตั้งแต่อาหารอากาศความอบอุ่นนะครับและสันติสุขที่อยู่ในชีวิตนั้น ที่มาหรือต้นกําเนิดคือพระเจ้าครับพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราต้องการเสมอบางคนอาจจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เห็นต้องการอะไรเลยพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยต้องการทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจําได้ไหมครับว่าสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดในชีวิตของเราไม่มีราคาครับคําว่าไม่มีราคาก็คือว่าไม่ต้องซื้อแต่มันสําคัญมากถึงขนาดที่ว่าหาค่าไม่ได้ เช่นอากาศครับอากาศนั้นฟรีไม่ต้องซื้อนะครับแต่มันสำคัญมีคุณค่าสูงถึงขนาดหาค่าไม่ได้พี่น้องลองอยู่ในอวกาศโดยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีชุดอวกาศสิครับนั่นแหละจะรู้ว่าอากาศนั้นมีคุณค่ามากขนาดไหนในชุวิตของเรานั้นต้องการอะไรทุกอย่างซึ่งเป็นความจำเป็นที่พระเจ้าจัดเตรียไมไว้ครับเราต้องการจริงๆครับถึงแม้ว่าเราไม่ต้องทูลขออย่างเหมือนอย่างคนที่อดอัดยากนะครับ แต่เราต้องการและของที่พระเจ้าเสี้ยวไว้ครับก็เพียงพอสำหรับทุกคนเสมอถ้าไม่เบียดเบียนกันไม่แย่งชิงกันพี่น้องครับลักษณะนี้ก็คือตัวใครตัวเขาเขาก็เก็บกันยกตัวอย่างครับมานาที่คนอิสราเอลนั้นออกไปเก็บนะครับผู้ชายทุกคนจะต้องออกไปเก็บมานาและเขาก็มีเพียงพอสำหรับครอบครัวของเขาเสมอ เพราะเก็บไม่ได้ครับเก็บแล้วมานาจะเน่าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับเราเก็บไปก็ขายไม่ได้เช่นอากาศครับอาหารเก็บไปมูลค่ามันก็ไม่ได้สูงถึงขนาดเหมือนกับเพชรนินจินดาเห็นไหมครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดสิ่งที่จะเป็นมากๆราคาไม่ค่อยแพงหรอกครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าหลายคน ชอบกินหูฉลามหลายคนชอบกินของที่หายากเช่นอุ้งตีนหมีอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับถามว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นสำหรับชีวิตของเราได้หรือหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่เลยพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นต้องการของเบสิกต้องการของพื้นฐานเยอะแยะมากมายเป็นหมดนะครับแต่ถูกมากครับถูกมากครับพี่น้องครับเราจะต้องตระหนักดีนะครับตระหนักว่าพระเจ้าของเรานั้น เป็นแหล่งที่มาของพื้นฐานชีวิตทุกอย่างเป็นซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์ตัวฉกาจเลยทีเดียวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราสํานึกและรู้จากพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของชีวิตของข้าพรองค์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของอาหารของข้าพรองค์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นที่กําบังและเครื่องงุ่มห่มของข้าพรองค์ทุกคนพี่น้องครับการอธิฐานว่า ขอโปรดประทานอาหารประจําวันกับข้าพงศ์หลายก็มีความหมายว่าขอพระเจ้าให้ข้างหลายนั้นได้รู้สํานึกในพระคุณของพระเจ้าจนหนักว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของสิ่งของทุกอย่างที่จําเป็นสำห ร, รับชีวิตของข้าพเจ้าพี่น้องครับการอธิษฐานอย่างนี้ก็เหมือนกับการที่ผมได้ทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดยกบาปผิดและชาระผมใหม่ พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะกระทําอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เลยครับพี่น้องครับและพองค์ก็ยังตรัสอีกด้วยว่าจงยังคงสารภาพต่อไปจงยังคงตระหนักถึงการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าต่อไปเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันกับข้าพงษ์ทั้งหลายก็มีความหมายว่าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เพื่อที่จะได้รับสิ่งที่จําเป็นที่มาจากพระเจ้าต่อไป โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาพี่น้องครับออกซิเจนแพงขนาดไหนต้องถามคนที่ป่วยนอนสูตรออกซิเจนอยู่ในโรงพยาบาลครับจะรู้ว่ามันแพงแต่พระเจ้าให้เราฟรีพี่น้องครับทุกสิ่งที่เรามีอยู่และทุกสิ่งที่เราแบ่งปันให้กับคนที่เรารักนั้นล้วนมาแต่พระหัตถ์ที่เปียมด้วยพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับ โปรฟครั้งหนึ่งทุกสิ่งที่เรามีอยู่และทุกสิ่งที่ข้าพรงทั้งหลายหรือพวกเราแบ่งปันให้กับผู้ที่เรารักนั้นล้วนแหมมาจากพระเจ้าพระหัตถ์อันทรงเปี่ยมด้วยพระคุณพระเมตตาและพระกรุณาทั้งสิ้นและเราจะต้องมีความเชื่อว่าเราจะได้รับต่อไปครับพระองค์ยังทรงประทานต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะต้องไม่เข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรครับเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างไว้กับตัวเราเราหาเลี้ยงชีพของเราเราทํางานรับเงินเดือนเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเราเป็นผู้ซื้ออาหารบางคนเป็นผู้ปลูกอาหารนะครับปลูกผักปลูกพืชจับปลาทํานู่นทํานี่ซึ่งเป็นที่มาของอาหารเราอย่าเข้าใจผิดครับว่าเรา ไม่ได้เป็นหนี้พระเจ้าแต่จริงแล้วเราเป็นหนี้พระเจ้าครับถ้าพระเจ้าไม่ได้รดน้ำจากฟ้าต้นไม้โตไหมครับไม่มีทางโตถ้าพระเจ้าไม่ให้น้ำมันอยู่ในใต้าบาดาลเราจะมีน้ำใช้ไหมครับไม่มีถ้าพระเจ้าคิดค่าแสงแดดวันละไม่กี่สตังค์พี่น้องคิดว่าต้นทุนในการผลิตอาหารของเราจะเพิ่มขึ้นสูงมากขนาดไหน เพียงครับสิ่งเหล่านี้ครับเรามองข้ามไปเรามองข้ามพระคุณความรักของพระเจ้านะครับเราคิดว่าเราทํางานเองเราเป็นคนปลูกท้าวเองเราซื้อหารเองเราไม่ได <energia> ้ติดหนี้อะไรพระเจ้านี่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรพระองค์นะโปร่งเจ้าค่ะหลายหคนก็คิดอย่างนี้หลาหลายคนคิดว่าเราเป็นคนถวายชรัพให้กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นหนี้เรา พระเจ้าจะต้องใช้นี่ก็คือพระองค์จะต้องอวยพรเราไม่ใช่ครับคิดผิดครับเรามักจะคิดและทํำราวกับว่าเราเป็นผู้ที่แบกภาระเราไปนุชสร้างชีวิตของเราเองไม่ใช่ครับคิดผิดครับผมอยากจะถามพี่น้องนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เราอธิษฐานว่ า, พ ร, า, า, า พ, รพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สําหรับที่ข้าพระองค์นั้นมีอาหารและไม่เพียงแต่มีอาหารเท่านั้นมีกินกินได้ครับ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเครื่องนึ่งโฮมที่เรามีมากมายเหลือเฟือขอบคุณพระเจ้าที่เรามีที่อาศัยเป็นที่คุ้มกันบังภัยนะครับเราให้ฐานห่วงใยนะครับคนที่ไม่มีบ้านมีไม้เราใิ้ฐานห่วงใยคนที่ไม่มีอาหารไม้เราให้ฐานห่วงใยคนที่หนาวเหน็บที่ไม่มีสิ่งต่างปกคลุมร่างกายไหมพระเจ้าทรงเข้ามามีส่วนร่วม พระเจ้าทรงทราบครับเมื่อนกกระจอกก้าวกระโดดแต่ละก้าวทงทร ง, งทราบและทรงนับจํานวนเส้นผลบนศีรษะของเราทุกๆคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องสํานึกและตระหนักในการขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเรามีชีวิตอยู่ในยุคที่ผู้คนหวาดกลัว หวกลัวว่าอะไรครับหวาดกลัวว่าเราจะสูญเสียการกินดีอยู่ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าและเราจะช่วยเหลือคนที่ยังกินไม่ดีอยู่ไม่ดีครับยังกินไม่ได้มาตรฐานยังขาดอาหารภาวะทุพโภชนาการและยังอยู่ไม่ดีก็คืออยู่ในบ้านครับแต่อาจจะไม่อบอุ่นอยู่ในบ้านแต่ จ, จะไม่คุยกันอยู่ในบ้านเดียวกันแต่มีใจขมขื่นต่อกัน ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่เราจะหลุดออกจากการผูกมัดจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายเพื่อที่เราจะเป็นไทยในองค์ผู้เป็นเจ้าอาเมน